3. อาญาจนะวักหมวดว่าด้วยการอรัธนาหนึ่งอมาราที่สุดตะเอกาทศกะว่าด้วยพระสูตร11อสูตรมีมาราสูตรเป็นต้นหนึ่งมาราสูตรว่าด้วยมาร 182. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี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 เธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในสิ่งนั้นมารสูตรที่หนึ่งจบสองมารธรรมสูตรว่าด้วยธรรมของมารร8 3แปดสราธะสิ่งใดเป็นธรรมของมารเธอพึงละฉันทะราคะ ชันทราคาในสิ่งนั้นมารธรรมสูตรที่สองจบ 3. อนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงร้อยแปบราธะสิ่งใดไม่เที่ยงอนิจจสูตรที่สามจบ สอา น, นิจจรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาร้อปดราธาสิ่งใดมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอา น, นิจจรรมสูตรที่สี่จบ5ทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข ร8 6ราธะสิ่งใดเป็นทุกข์ทุกขสูตรที่ห้าจบหกทุกขธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาร8อแปราธะสิ่งใดมีทุกข์เป็นธรรมดาทุกขธรรมสูตรที่หจบ เอนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาร้อยแปราธะสิ่งใดเป็นอนัตตาอนัตตสูตรที่เจ็จบ8อนัตรธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาร้อยแปดส ราธะสิ่งใดมีอนัตตาเป็นธรรมดาอนัตตธรรมสูตรที่แปดจบ9ก้าขยัตธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาร้อยก้าสิบราธะสิ่งใดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา ทยธรรมสูตรที่เก้าจบ10วยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเสือปเปสเส่อมไปเป็นธรรมดา 191. ก้าอราทะสิ่งใดมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวยธรรมสูตรที่1ิบจบ สิอสมุททยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาร้อราทะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในสิ่งนั้นสมุททยธรรมสูตรที่สิอ็ดจบ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 ฉันทราคะในสิ ai, mean, so ie, style, Love, ่งนั้นก็อะไรเล่ามีความดับไปเป็นธรรมดาคือรูปมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในรูปนั้นเวทนามีความดับไปเป็นธรรมดาสัญญาสังขารวิญญาณมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะ ราคะฉันทราคะในวิญญาณ น, นั้นราทะสิ่งใดมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้นนิโรธธรรมสูตรที่สิบสองจบอายาจนะวั์ที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งมาลาสูตร 2. มารธรรมสูตร 3. อนิจจสูตร 4. อนิจจธรรมสูตร 5. ทุกขสูตร 6. ทุกขธรรมสูตร 7. อนัตตสูตร 8. อนัตธรรมสูตร 9. ขยธรรมสูตร 10. วยธรรมสูตร 11. สมุททยธรรมสูตร สิบสองนิโรธธรรมสูตร